คนแก่ทุกข์เพราะถูกนินทาถูกปพระถูกนินทาเป็นทุกข์ยุมหยิ้ ม, มส่วนมากก็ทําให้ปวดเสียไปวันวันหนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้ถึงกับเจ็บป่วยล้มตายดูจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ก็น้อยเต็มทีผมอยากจะพูดว่าเป็นทุกข์ประเภทก่อความรําคาญใจมากกว่าถ้าจะเปรียบกับทุกข์ในโลกธรรมด้วยกัน ทุกเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศเหมือนภัยที่เกิดจากงูหรือเสือหรือจระเข้ส่วนทุกเพราะเรื่องถูกเขานินทานี้เหมือนภัยที่เกิดจากยุงชุมเลือดชุมอะไรอย่างนั้นแหละมันจุกจิกหัวใจแม้ทางสรรเสริญก็เหมือนกันทำให้ใจชุ่มชื่นไปพักหนึ่งพักหนึ่งเหมือนได้น้ำเย็นๆมาล้างหน้า ทำให้สบายหูตาสว่างดีแต่ก็ไม่ถึงกับหายโรคภัยไข้เจ็บหรืออิ่มหนำสำราญอะไรนักหนารวมความว่าเป็นสุขประเภทกระแสะรายวันเท่านั้นเองลองตึกตรองดูแล้วว่าโลกธรรมข้อ น, นี้จะพาเอาความทุกข์เข้ามาทางใดได้บ้างก็เห็นอยู่เพียงสองทางคือหนึ่งทุกข์ว่าเขานินทา และ 2. ทุกว่าเขาไม่สันเสริญตัวจึงขอเสนอกลนแก้ทุกไว้ย่อๆดังนี้ต่อไปตอนกลนที่หนึ่งจงรับคำติทันทีการรับคำติกับการรับคำชมมีวิธีผิดแปลกกันนิดหน่อยในตอนรับคือรับติให้รับทันที รับชมให้รับช้าๆว่าเรื่องติก่อนพอเราถูกติผมเคยทดลองดูสองวิธีแล้วพอถูกใครติเรานึกปฏิเสธทันทีคือนึกปฏิเสธในใจว่าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ไม่เอาไม่รู้และอื่นๆอีกหมายความว่าไม่ยอมให้เขาตินี่วิธีหนึ่ง อีกวิธีหนึ่งยอมให้เขาติคือพอถูกติไม่ว่าเขาจะติว่าอย่างไรก็ตามผิดถูกก็แล้วแต่ให้นึกในใจว่าอ้อหรืออย่างนั้นหรือครับครับนี่วิธีหนึ่งรวมสองวิธีคือยอมให้เขาเสียดีๆกับไม่ยอมให้เขาติในสองวิธีนี้รู้สึกว่าวิธียอมให้เขาติดีกว่า ทุกน้อยกว่าบางทีก็ไม่ทุกเลยการใช้กล น, นี้มีวิธีการดาเนินการสองขั้นคือทำอยา่างนี้ขั้นแรกทันทีที่เราถูกติจงนึกอนุญาตให้เขาติโดยนึกอุทานในใจทันทีด้วยถ้อยคำที่ว่ามาแล้วยานึกค้านยานึกปฏิเสธฟังเขาว่า ถ้าทำได้จงยิ้มเสียด้วยขั้นที่สองเสร็จจากขั้นที่หนึ่งแล้วจงเอาคำตินั้นมาพิจารณาถ้าเป็นคำของบัณฑิตคือติถูกที่ดีของเราให้นึกว่าเป็นลาบนึกชอบใจคนติเพราะงานบางอย่างเขาถึงกับจ้างถึงกับวานคนอื่นให้มาช่วยติก็มีเช่นช่างปั้นหุ่นหล่อพระ ถึงกับไปอ้อนวอนนักติให้มาติที่ผมเคยเห็นการหล่อพระปฏิมาขนาดใหญ่ฝ่ายช่างรับเหมาปั้นหุ่นต้องง้อคนติฝ่ายคนติก็เล่นตัวถึงกับเอารถไปรับหลายครั้งจึงมาติให้ท่านที่เคารพอย่าลืมว่าพระพุทธรูปสวยๆที่เรากราบไหว้อยู่ทั่วไปนั้นแตละองค์ต้องผ่านการติมาแล้วอย่างหนักทั้งนั้น เขาถูกติหมดตั้งแต่พระเสียนจดพระบาทจึงได้สวยงามอย่างที่เราชอบส่วนพระพุทธรูปที่ไม่ค่อยสวยบิดบิดเบี้ยวเบี้วแทบทังนั้นเนื่องจากไม่มีคนติให้ในตอนหลอ่อหรือมีคนติแต่ช่างปั้นหัวดือ้อใช้คำติของคนอื่นไม่เป็นพระก็เสียได้เหมือนกันทีนี้ ตัวเราเองมีคนเขาอุตสาหะติให้โดยที่ไม่ต้องจ้างไม่ต้องวานนับว่าเป็นคนมีวาสนายิ่งนักสมเด็จพระมหาเวโรวงติดโสอ้วนวัดบรมนิวาสกรุณาสอนไว้จับใจว่าคนโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากก็หมายความว่าคนที่ไม่ยอมให้คนอื่นติเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้นั่นเอง ในขั้นการพิจารณานี้ถ้าปรากฏว่าคำตินั้นเป็นคําของผ่านคือติที่ผิดที่ดีของเราก็ให้โยนคำตินั้นทิ้งเสียอย่าแบกเอาไว้ให้นึกสงสารคนติว่าโธหน้าสงสารทำไมจึงไม่รู้จักที่ดีของเราก็ไม่รู้โปรดจำเอาไว้ว่าท่านจะต้องสงสารคนติอย่ากโกรธ อย่าดูหมิ่นเขาและอย่ามุ่งร้ายการสงสารคนตินี้เวลาปฏิบัติจริงท่านจะทำได้ไม่สู้ยากนักและหลังจากนั้นท่านจะรู้สึกสบายใจถ้าหากจิตยังประวัติถึงคนนั้นก็เป็นการคิดถึงด้วยความสงสารตอนคนที่สองจงเลื่อนเวลารับคำชม การรับคําชมที่ว่านี้คือยอมรับด้วยใจของตนว่าจริงตามที่เขาชมไม่ใช่เพียงการฟังด้วยหูในการรับคําชมมีวิธีอยู่บ้างคือจงอย่าปรงใจรับทันทีที่เขาชมจะทําให้เราตื่นเต้นและอาจเสียมารยาทผลที่สุดก็ทุกใจภายหลังพอมีคนชมให้รับฟังไว้ก่อนจริงไม่จริงอย่าพึ่งว่า รักษาจิตใจไว้อย่าให้เมาคำชมตามธรรมดาถ้ามีคนให้อาหารเราต้องรับแล้วถือไปวางบนโต๊ะก่อนแล้วจึงค่อยหาที่นั่งกินยิ่งถ้าเขาให้มาเป็นของใหญ่ของมากการกินจะต้องเลื่อนเวลาไปอีกอาจจะต้องส่งของนั้นเข้าครัวให้แม่ครัวจัดใส่ถ้วยใส่จานก่อนจึงกิน แม้แต่นั่งประจำโต๊ะอาหารอยู่แล้วถ้าเพื่อนร่วมโต๊ะยื่นอาหารให้เมื่อเราตักเอาแล้วก็จะต้องวางอาหารนั้นลงที่จานของเราสักครู่หนึ่งก่อนจึงค่อยเอาเข้าปากถ้าใครรับอาหารมาจากคนอื่นแล้วทรงเลยเข้าปากทีเดียวเรียกว่ากินไม่เป็นเสียกิริยาน่าเกลียดนัก พลาดทาไปโดนของที่อมความร้อนในตัวอย่างอาหารจีนบางอย่างเลยจะโดนลวกปากลวกคอน้ำตาไหลให้คนอื่นดูสมน้ำหน้าเอาด้วยเรื่องคำชมก็เหมือนกันกันกบอาหารถ้าพอได้ยินใครชมเรารีบรับรีบเชื่อและรีบชมตัวเองต่อเลยเสียหายหนัก ที่เสียหายก็คือจะโดนความทุกข์มาเล่นงานทีหลังจะน้ำตาไหลเหมือนคนโดนอาหารร้อนลวกปากนั่นแหละฉะนั้นพอได้ฟังใครเขาชมให้ทำใจเฉยๆไว้ก่อนเสร็จแล้วจึงค่อยๆให้ใจกินคำชมนั้นภายหลังแล้วก็ต้องไม่ลืมพิจารณาคำชมที่เขาให้มานั้นว่าเป็นคำชมยี่ห้ออะไรจากพานหรือบัณฑิตชมผิดหรือชมถูก คือตรงดีของเราหรือไม่ตรงอย่าลืมว่าการทําลายกันเขาทําลายด้วยการชมก็มีและเป็นการง่ายกว่าการทําลายด้วยคําติคือคําชมนอกทางดีของเราเพื่อให้เราหลงคําชมและทิ้งความดีของตนเสียไปหาดีนอกทางที่สุดก็เสียอันตรายมากถ้าใครไม่ระวัง มีเรื่องเล่าที่จริงไม่รับรองเขาเล่าว่ามีข้าราชการคนหนึ่งไม่ชอบหน้าหัวหน้ากองอยากจะให้หัวหน้ากองมีอันเป็นไปเสียพยายามเขียนหนังสือฟ้องร้องทางผู้ใหญ่หลายครั้งหลายหนไม่ได้ผลพระผู้ใหญ่ชั้นเหนือก็เอาผิดอะไรไม่ได้จึงออกอุบายสมคบกับหมอดูที่เป็นเพื่อนกัน ให้หมอดูหาทางไปดูลายมือท่านหัวหน้ากอ่อนแล้วก็ทักทายสันเสริญเยินยอต่างๆสาระสำคัญคือว่าจะเป็นคนมีบุญวาสนาตำแหน่งทุกวันนี้คับแคบเหลือเกินเหมือนเอาต้นสักต้นตะเคียนมาปลูกไว้ในกระถางหาทางโตได้ยากเล่นการเมืองจะดีมากถ้าสมัครเป็นผู้แทนแล้วเป็นไม่แคล้วเลย และจะได้เป็นถึงรัฐมนตรีครั้นหมอลายมือทักทายแล้วกะว่าเว้นระยะพอสมควรก็ปล่อยหมอดูดวงชะตาทักทายตรงกันอีกหน่อยก็ส่งหมอดูไพ่ป๊อกมาถ่ายคล้ายๆกันอีกคือว่าวาสนาดีเด่นทางการเมืองอย่างน่าอัศจรรย์หนักเข้าท่านหัวหน้ากองผู้น่าสงสารก็เคลิบเคลิ้มตามคำสรรเสริญ นึกว่าอาตมานี้เป็นคนมีบุญวาสนารอคอยอยู่แล้วเลยยื่นใบาลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครผู้แทนมิใยว่าผู้ใหญ่ชั้นเหนือจะทัดทานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่อยู่เงินทองมีเท่าไหร่เท่าไหร่ทุ่มเทลงทุนหาเสียงในการเลือกตั้งผลที่สุดก็เหลวเสียตำแหน่งแล้วยังแถมกู้หนี้คนอื่นเขาไปลงทุนอีกด้วยนี่แหละ การทำลายด้วยคำชมถ้าจะว่ากันแล้วควรระวังคำชมให้มากกว่าคำติเสียอีกเพราะถ้าศัตรูจะวางยาพิษทำลายเราเขาก็จะใส่ไว้ในขนมหวานหวานมากกว่าที่จะเอาใส่ไว้ในบรเพชษจิงไหมตอนคนที่สอย่านึกว่าเราถูกคนเดียว เมื่อถูกเขานินทาหรือติจงนึกทันทีว่าคำที่เขาติเรานั้นเป็นของเก่ามีอยู่นับพันพันปีแล้วคำอย่างเดียวกันนี้เขาใช้ติใครๆมาจนนับจำนวนคนไม่ทั่วแล้วคำติไม่มีของใหม่เลยการติเป็นงานที่ง่ายที่สุดใครๆก็ติดได้ไม่ใช่ของอศัศจรรย์อะไรนักหนาโบราณท่านย่อมว่า ช่างกลึงพึ่งช่างชักช่างสลักพึ่งช่างเขียนช่างติเตียนไม่ต้องพึ่งใครเมื่องานตดเตียนเป็นงานที่แม้แต่คนโง่ที่สุดก็ทำได้อย่างนี้ก็ป่วยการที่จะรับเอามาเป็นอารมณ์คนที่สามนี้สั้นๆแต่ใช้ได้ดีเป็นพวกอาวุธสั้นประจำตัวใช้ง่ายทันท่วงทีดีนัก ตอนคนที่สี่โจงนึกเสียว่าช่วยเขาหน่อยผมเคยพูดมาแล้วแต่ครั้งก่อนโน้นว่าในตัวเรานี้มีอวัยวะอยู่อย่างหนึ่งที่ถ้าเราไม่ลืมมันแล้วใช้การไม่ได้ถ้านนึกทายดูสิว่าอะไรทุกคนคงนึกออกคือลูกในตาเรานี่เอง ท่านผู้ฟังเคยนึกหรือเปล่าว่าการที่เราเปิดหนังตาขึ้นดูสิ่งต่างๆทำไมเราจึงเรียกว่าลืมตาที่เวลาอ้าปากทำไมเราไม่เรียกว่าลืมปากความจริงที่ว่าลืมตาลืมตานะ่ะเราเอากิริยาของใจออกมาพูดกันคือใจของเราลืมคิดถึงลูกในตาจริงๆเนื่องจาก ตาของคนเรานี้เป็นอวัยวะแปลกถ้าไม่ลืมแล้วใช้ไม่ได้ท่านลองทดลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองกางหนังสือนี้ไว้แล้วก็เปิดหนังตาไว้อย่างนี้แหละจ้องดูที่หนังสือเหมือนกำลังอ่านส่วนจิตของท่านให้คิดจดจ่ออยู่ที่ลูกในตาเสมออย่าลืมลูกในตาแล้วท่านจะไม่รู้เลยว่า ตัวหนังสือที่ท่านกำลังดูอยู่นั้นมีข้อความว่ากไกรแต่ถ้าท่านลืมลูกในตามเมื่อไหร่ท่านก็รู้ความในหนังสือทันทีเรื่องของตาคนเป็นอย่างนี้คนเรานั้นพอออกจากมุ้งตอนเช้าก็คิดแต่ลืมตาทั้งวันเลยทำให้ลืมตัวมัวเอาแต่ดูคนอื่นคนเราก็มีที่หน้าติบ้าง ที่น่าชมบ้างทุกคนคนที่มีแต่ที่น่าติล้วนๆหรือมีแต่ที่น่าชมล้วนๆไม่มีเลยบนแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นคนเราจึงถูกติบ้างได้รับสรรเสริญบ้างแล้วแต่เรื่องแม้แต่เขาจะนินทาตัวเราก็ไม่เห็นมันสึกหรออะไรคนที่เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเรามีอยู่สองประเภท หนึ่งที่ชอบติคนอื่นถ้าไม่ได้ติใครๆแล้วให้มีอาการไม่สบายโรคขี้ติมันกำเริบแต่ถ้าได้ตดแล้วโรคประจาตัวเขาสงบเกิดความสบายแก่เขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกเขาติก็ควรจะได้เอื้อเฟื้ออนุ ญ, ญาตให้เขาตดเสียบ้างนึกเสียว่าให้เขายืนติเพื่อให้โรคเขาสงบ ช่วยเหลือเขาหน่อยเสร็จเรื่องกันที ต, ติชมชมพูดมากไปประเดี๋ยวบางท่านอาจนึกเล่นงานผมเข้าบ้างแล้วก็ไม่รู้แต่เอาเถอะถ้าท่านผู้ใดโรคที่ว่านั้นกำเริบก็อนุ ญ, ญาตให้ยืมตัวผมติได้ชั่วคราวพอแก้โรคให้สงบถ้าทีโรคผมกำเริบบ้างก็กรุณาให้ยืมหน่อยก็แล้วกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ดีกว่า